ตั้งแต่ตีโมกัน ต, ตั้งแต่มีโมกไปวันตังจาก10โมมาเร็วก่อนเวลาอยู่เลียวก่อเวลาอ ย, อยู่เมืองเคิมาไปละ่ะมาเลยก็ป่ะว่าหมก็มีสิ กัเยี่ยมนะโอ้โหรวง่เด็ดเฮ้ยฟังเสบ่าเอาลงมาทีว่าหล่ ะ, ละเอาลงมาแล้วจะเอาลงตาเออมาให้พระบึงตะก้อนเดี๋ยวเอาไปทั้งปุ่นเดี๋ยวพันวเอาไว้มื่ออื้น่อเบาดิบัเอาไว้มันถามหาบพเห็นดิเมื่อเ่าง้อมรักกินอิกด้บบด้านะแต่แลหุ่งด สมาตวายพระหัดผัดนี่ไหมข่าสนตนาธรรมะก็ได้หลงแน่ทั้งไปหลวง่อรัตนาด้วยอีกเราสารวิรวัตรเอาไปหนึ่งได้าบาปไม่ได้บุญไม่ก็ได้บาปตัวขามาสวายหวพระาแล้วก็ขอา ส, าขาสารว่าพระยู่ได้สารได้ขอสาร หนึ่งตกอนตัวแต่บเขาบ้านเดี๋ยวเขาเห็นตัวเตีบยตัวแดนบางคนขอแบงนะเขาสารคือหลายแต่หรือเปล่มันว่ได้แล้วของสงั้ยนอกจากจะเอาปัจใจมาแท่นหน่อยเออนบูวทาไว้ยังไปแท่นของโยมมีสิยแล้วเรจะเอาเขาไปฉันจะไปเอามาใส่บาทหรอกบางที่ลูกหลานมาเห็นไมยกล้วยคือหนื้อเง้ยแล่ก็น่านันเห็นว่าจึ้ของสงเราด้ บูซาเขเป็นยังบูซาใดเหมืนบอกขาลงตูขาขาสารนะคะก็แต่ไม่สิ่งสี่อาจะใชคนนีลูกหลานญาติหลวงรเจ้าเคยบูซาไปเอาเงินเขาตูเฉยใดมึงบอค่ะใดไทยอยู่บูซาเลยไทยตาไปแล้วห่ยังเลี้กับบูซาไปได้น้อหลงตากับบูซาเอาือกันของของมาวัดกวนไข่ซอยปีทุกติงถูกจ้างหา เขาไปองในจ้าม อ, อของนอ ก, ก็น้างเข้าเขาไปเขาใจได้ไหมละ่ะโดยจะฝังยิงบ้านหลายๆคนลูกหลานหลายคนเขาบกแจงว่าของที่ไ้ถวายพระดิเขาไปกินไปเลยยำแล้วยำาอกแล้วประเทศไทยต่างลงขัวทาบุญลงว้าทำบุญตรงพอว่าลงข้อ ท, ทำบาปนันไปแพรบ้านนั่นบ้านนี้พ้านาแพร่ผีติงาน หลวงปูอ็นจะไปสรางหลงคัวไปาบา น, นี่บ้านแต่หลวงพ่อว่าได้บอกเลื่หลวงพ่อว่ายินดีกับกา ร, รสาองคท่านดเดยินดีนาที่พ่อชู ม, มือนี่เขาขี่ขานเพรได้ไก่หลงท่านพระเจ้าประสง์มาราภเขาบรเหารอาหารําตัวทังแถวไก่กันก็ถือจานไปก็หรือเอาถุงไปติไปน่นปะเขาก็เททให้ว่าเทมาท่านแล้ว อันบอเห็นหาแน่ก็อาหารใส่ือขีที่แต่มาธาตุจากไหนมาดดึกคำนึงถึง่าไปขอมาใส่บ่ผู้ไปเฮ็ดนั่นนะไปขอมาจากกิ่ไในประเทศไหแ น, น่คุณออกมาเอาอย่างไปถวายพระสงฆ์ไปถวายพระสงฆ์ถวายไปไหว้พะตนหอดเอาไปชูกันกินหมดแล้วันเดี๋ยวหลวงพอว่าอย่างหิวอยังก็จิบไปเท่า น, นไปวัดก็หรือหางข้องไปใช้วัดห่ังในพระญาตวัดญาติหนัง เขาใจน้นคนเาบงงงนี่บอกสู้เมือ่อแตงมันกจั ก, กจนี้เลยนี่เห็นน้ำุเจ้ามันมีปัญหาด้มันบอกมีปัญหาจอนเพเห็นน้ำพุเจ้าเด้บุตเจ้าสอนไมให้พระปฏิบัติธรรมเพื่อเพาให้ปูงแตงเรื่องกุญไว่บดปูงแตงแตง่อะกุญไว้กิจเพราะเขามาหาน ห, หาตัวจากเพียมื่อไหั้งแต น, น้อยก็ไม่เทเหมือนกัเลยบ่จักเพเคยบังใจยังเพียรเ่านัง แจงหัวถ้าแกกกตกตกแตกนั่นใจจะเไสบอกว่าใจจะลมเห็นบังล้มด้ะในตัวเขามีก า, กายก็มีใจไปแทงตาไก่หามาแตไ่ไหนก็มาถมแท่งลูกหันแทงอย่างนั้นของบุรของน่าวของเถ่าของแก่นั่นตัญญาของหลวปู่ด้ะตอนนี้ไปให้รักษาใจทุ่มือมือละหนึ่งนาที ตันี้น่ยหลวงปูจจ่จ้างทุกมืองไทยคนจ้างออกเทอมให้ผู้ได้ถือสินแปดได้ทุกมือเสียค่าเสียค่าเทอมไหมวันศุกมีหรือเกิดเกิดอลไรข้อขคนละนนี้เกิดอะไหลว่อ น, ออหอนหหไหนหัวดาไปกนหัวดอนนําหลังตามขาโบราณว่าหัา น, านตัวหัวดาไปกนหัวหัวดานั่งหนากอนหัวร้อนคือคนหัวงอกั่งอยทางหลังผุน แต่ไอ้พระผมเขาไปไปไก้พระวันจีนวันพนระเมัอนกับไก่ไรเอิญขมามาแม่มาแ ม, า ม, า ม, ามาถอยออกไปถอยออกไปนั่นหัวคำไปกวนหัวร้อนลำหลังอาจารย์จ้างให้เขาที่เข า, เ, ขาเรียบทจบมาได้ด็อกเตอร์ขึ้นมาได้พ่วงนวยการลุกเรียนมาอย่างมากเวยเอายืดเอาจุดนี้ไปสอนคนพระบอยจกบุญมาสอนคนใทําทบุญผลจะได้กับพระกันหลง พระเจ้าลูก ป, ประเทศไทยวัดจักวัดประเทศไทย จ, จุทูุทียนสายสังฆทานตรวจน้ำย่อมแม่โบยพุนเจ้าบบอกไปเหอกันตอเห็นไหไปวัดไดไปดันนตรวจน้าเป็นตู้เป็นตู้ญุ่มตาลาดข้าด้วยคนก็มีตลงเขาหลงเขาโคดโกงกันหลอกลวงกันปีนป้อนกันก็เพราะทำบุญบยจักบุญขหนังบาปคืหนัง หลงท่านทั้งบาปกัว <laughs> <yourselves. laughs> ่าหลงท่านทั้งบุญด้วยตัววัไปแพร่มาแต่ดีผู้ดีผู้แพรเอาใส้นถงความมาจากแล้วจิตใจอย่างไรฟังยากที่สามัญชนคนธรรมดาจะทำได้ฟังคำพระเจ้ารู้พระเจ้าพระสงฆ์กับว่าแท้หัวแล้วทมพลาเลี้ยงแล้วก็ว่าเป็นพระแล้วนั่นที่จิตใจเหมืนนี้บันพระเจ้าเป็นยังไงการเลือกให้พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญหนึ่งจักเลือกว่าวัน เรือ่องังไหนพระเจ้าพระสงค์คือกันแท่งหัวคือกันผ่าเหลืองคือกันพระไตไปดกหเดียวกันหนึ่งเดียวกันอยู่แต่ว่าการเนตการทำเนตนัานบุญเจ้าว่านะเขาก็เห็น น, น้ำบุญเจา้าคือเอาคือบุญเจ้ามาสอนกัน่ะอนูจะว่าทำบุญปดิบุญหายต้มกันโอ้ยเบิ้งปวกเบิ้งข้าวแตะท้าย ตลอดร่วงไปผู้เฒ่าผู้แกมีเงินอีกตนยังไปหลอกดีสิไปตอ้อยอดให้จากได้เงินเอามาท่านั้นทอดนี้ได้ไดยัยจากไหนเขาไปอีกสานความโลภก็ไม่พอใจอไม่ไปต้อนกูนะจูทำไปทำ ม, มาไปว่าบผมีเบอร์โทรศัพท์ได้จะว่าเสียไปเสบยบุเห็นบอกมาจากไสมาจากความโลภพออยากได้หลายให้เท่าไหนบอกว่ า, าใจนะไป่บอกเรื่องว่า มั่แขกลูกหลายแต่ ล, งลุงปู่แต่ลูกหลาเพราเขาปล่อยมาเกิดมาพูกให้ลูกเกิดก็ปล่อยให้ลูกเกิดพไ ด, ไ, ดได้บาปได้บุญนั่นผู้ท่ให้เกิดแล้วได้บาปเพราะมันใจหนาดเน่แต่กินตกอายอเป็นเนบนนั่นหือเมื่อดืกันดารตัวเพราะเมื่อไ้คนเกิดก็ได้ปิดไว ใจหยาบใจหนาใจดื้อใจมึนไปติบตัวเดนตัวบัดมียาเสริมก็ไปอีกยาเสริมก็ไปอีกเ้าได้จับพระไือจินจาอกําลังจะกวดบุเนี่ยขาจะเอาว่ดจินยาไม่เอายาบาอาวะจะเอาวัดดายังสั่นยังตอพอคนนาที่จะวดติดตากิขึ้นหลวงพ่อจมนี่แหละพระบนี้ตายมือนกอมันสแล้วทุว่าตัว นี่นาตีจตีโ จ, จมแต่ไต้ว่ฏวิญญายไต้ดิวัฏวิญญานไต้บวกกับจมบ่กกาบวานิดพอแม่พระเห็นพราทำพระาหาส่วนทุกข์ยากลำบากต่ตําเอาแนวหามาได้แบบใดวิธีใดได้ถูกต้องก็มาบ อ, บอกเห็นแล้บอเห็น แ, แ, แล้วบ่ดเดีแต่ละมันเบา ก, กจะเลิยังไปยังไรล่ะ บ, ดบัดเพราะมีผู้ขัดผู้ขวงบางคูบางคนอาจจะนึคิดเนี่เอ้าพระคือสอนว่คือกันปยู่ติธรรมตัว ภาคือกันคือสอนบ่คือกันก็ไปชิดลูกอันไหนถูกต้องอันไหถูกใจอันไดนทำบุญอันไหนทำท่านอันไหนรักษากายอันไหนรักษาใจคือสังขาอย่างสารร่างกายเกิดเราแก่เก็บตายท้องดังๆเยิเสียงมหาลากมหาลากเกิด้หัวใจเพราะงี้แค่ไห้หัวใจได้ยินน่ตัวเนี่ยบ่เกิดบ่แก่บ่แก็บ่ตายเห็นบ่ตนเบิ้งลมหายใจก็ออกแค่นั้นแ้มีสติแล้วมีปัญญามีความรอบรูก กันเถอะจุดนีก้ก็มีคอบอบรู่เพราจากวันนี้อะไถูกต้องถูกใจอั น, นออกไปจากนอกนี้เรามีตรต่เลืองทะเละตะเนอร์อิจฉาทิฏยาพญาบาดอาขาดเพ่งเล่งกันแนวนั้นแนวนี้ไปหรอนั่นมันสาเหตุจากนี้นี่สาเหตุจากบกเหตุน้ำพุพุทธเจ้าโบมีบุญโมีสมาธิหรือกับโมีสมาธิโบมีปัญญานี่คําทั้งพาวินั่ทั้งบาลีบาเจ้าสอนแนวนึวนงเหตุไปแนวนึวนงนะ หลวงปู <c oughs> uh, it it ่ก็เฮ็ดหลายเหลวงปู่ก็ใส่อุบายตัวหลวงปู่เฮ็ดหัจักแล้วก็ใส่อุบายห้งอมสอนหิ้มพระสิเล็ทเฮ็ด้แต่สิเฮ็ดตัเฮ็ดเลต่เรียกร้องนน่ะอย่างเฮ็ดไ้ของรเจ้าเน้นหนักแปว่าเฮ็ดไีจะเ็ไว้เฮ็ดไว้หนแล้วนี่บงคนงคมันเหน่อว่าหลวงปู่ได้อุญาตสุขดีมาเฮ็ด่มันถาวนนะแปว่าโอบวชแล้วบวชให้นก น, นันมหาหอง ก, งกูกูของกูของกูยูหันตินกีฬาในบวชคนจากคนบ่บวดหลวงกูเนบมีบวชคืนบวชคนปีนึงเจ็ดไรตะคันตะคัดอ่ะบวชบวชในเมืองมแต่นกกีฬาด้บวชอ่ะวสางบวเมืใลานนี่คือกันแล้วมิจฉเพศยังได้แช่ของลูกนิมิตรได้เป็นสัญาณกูได้จมาอยู่ได้บวสาสางกินน้าให้น้ย ไอเดี่ยุงไอแค่นี้ผมก็เห็นได้มันพังกันบ้าเอามาไม่ก็ได้ก็0 0นบาท 2,000 บาทจังน่ะราคาของแพงนี่เกจนก็ได้กุมหลายปีอยู่ดีนนี่มาเห็นเดี่ยวเนี่ยก็น้องมังหุงหนุงบอกว่าซื้อหมามาจุ่งซื้อหมามาให้ยนุงเองว่ามีความเคลื่อนปั่น ยาบอกว่เจ <again> <retrouver in the slopes> <s uss es> ้าได้จัดสรุปมาได้ยากที่สามัญชนคนธรรมดาจะรู้ได้นั่นนาหมายถือกติเอาไว้ว่าอย่ามีปัญหาของในจะน้ำบอกของนอกจะน้ำเขาเน่าก็เน่ายู่นี่เห็นว่าหลวงปู่ระเฮ็ดน้มเน่าบูดเน่าแขกเอ็งก็มาเต็มยู่กวกว่าแกยอมเน่น้มเน่าน้มเน่าดีกว่าคดเน่าถือความเพิ่นว่าจนา ไปมาขอได้ขอได้ขอได้บัตกี่ขั้ขขนเฮ็ดประวัติของลงปูเนี่ไปเมืองไปหน้ามากลูกสาวว่าล่นรักก็เกียดแล้วเพราะบ่เพิ่งวุ้ยเน่าหายโอเคอยนไห้มัน <c oughs> คนไปรับเงินดอกเงินเดือนหน้าชนดหน้าไปากสื้อ น, น, อ mejor, นั่นเืน้อนี่ไปต้อมลูกต้อนเต้าส่นี้ลุงปูมันว่าเอาได้โอเคอันไหนมาก็เกียเขาไปว่ไปยามนีแบบไปไนเอาเนี่ยไปฝากเอาเนี่ยไปฝากคนหลัก คนอกความแม่เปิดมาก่าเว่าป่าว่าป่าเหตุป่าทำจะไปหูเห็นได้ทั้งหมไปเหตุเหตุโน้นอะไรเนี่ยนักเลยจุบจูเมืองนี่จะใครมาได้เอาประโยชน์ส่วนตัวจะไงพระเจ้ากระสงมากเอาประโยชน์ส่วนตัวให้ได้แล้วทังหมประโยชน์ส่วนร่วมรนรวมือให้มอย่างนัแน่นเห็ุที่ทสางแฟบบบวบได้ก่เหตุแตนแน่ค่อยแน่แต่หตัวจะกองไหลพลุใส่ะกอน มุ่จักว่าเห็นเนี maple, ma ่ยพ้นเหมือนพ่นเลยเนก็ถามจากของเอางงตัวม <c oughs> <gigantic. S 1> ันบอกท่านพ่นก่อเอาความเพียรเขาว่าตั้งใจตั้งใจว่าคนมันติดต่อกันปีนสองปีมันก็ได้ประโยชน์หลายตัวนี่มันเพรติดต่อกันขาดรักขัดตอนดูเขาลองแคลร์มันจะไปก็ไปมากเขาเขาทอเราละเห็นอย่างบ้านไหนเราวะวางเลยหลอพวกนี้ผมทุผล มีอะไรจะมาโคตรหนูจะค่อยมาสันทังหันแล้วหลงปูกลับไปพักพอ น, นิดเียวจะมาสันทังหันร่วงไ ป, ไปอีกกันง่ายไปอีกเนี่บัดมันนี่เกจะเด็กออกไปข้างนอกอี ก, ก, อกรตร่ำว่ากี่คนอัน่ะไอ้หน้าลำกันตฤหัคข้นค่ะเพราะว่าโยมทางอื่นไอ้นุ่มเพลินอยากทำงานก็เลย เป็นตัวแทนของโยมจากไอเราจะปลูววกแท่นน้มานน้กันมนกันถ้าบางคนออ ย, ยากรงูกทรงเตาก็สมะฮอดซาสันันี้ซุ้มโยมบมีา่าละูกเตาก็เลยก็ได้มากกันบ<อ>มี่า ะ, ะนี่ ะ, ะอันามือม า, มาอย่นีถ า, ามหลวงปูร่รงไที <laughs> ่เอบ้ากันมือนนันสวันมากาบหลวงปู่นะคะเพราะว่าอันซุ้มโยมอัน สี่ยูอันวัดนั่นเนาะคะ่ะเฮากับอันคุยกันแล้วปรึกษากันแล้วก็ได้มากราบว่าอันวัดนี้เฮากับเอ่อีกาบอาขอให้หลวงปู่อันเข้าไปซอยนะคะไปดูแลไปล <laughs> อัอออออออนคล้ายๆว่าสอ<ๆ>ันเลย่ก็บก่ือ <laughs> <laughs> จ้าก็คือคือว่ากาวัดนี่นะอันให้หลวงปู่นะคะเขาไปดูแลตรงนั้นเพราะว่าซุนยมมัน คุยกันแล้วแล้วโยมก็ได้อันบอกไปทางอันอันอันพระคู่พิเนศเพลแล้ววานโยมอยู่นี่ขาลงมาตีกันว่ามาบ้ามาจังสีนะคะก็เลยว่าอันกาันนี่นะะพอแม่ครูอาจารย์ไปซอยไปปวดไปภายทั้งโยมทั้งฝุดนน้ำนะคะเดี๋ยวปีนี้กับคนจะออกพรรษาเาก็ตั้งแต่ไปจักเสืยอยู่กันก็เลยหางทองเสรแล้วคือวานว่าจะควายทองไปไหนไปไหนก็่ได้ไป ก็พอมาเพิ่นบริมนเนาะบริมนมันไปด้พระก็เลยนี่ละค่ะก็เลยบอกว่าอันนิมนต์หลวงปู่ไปันโปดไปพาย้วค่ะก็เลยอันพระในพโกเอาเบิ่งด้วว่าหลวงปู่เพิ่นีกอตอนใดาสันนิมนต์เพิ่นไปเบิ่งเน้าันอนนก็อยากนิมนต์หลวงปู่ไปันนะคะไปโปดไปเบิ่งอันท่านคนเนี่ยค่ะนี่อเพิ่มออกเพิ่นสาะที่ว่างบ่ะเตหมดแล้ว่นเนาะเอาเพิ่นสาราจเต็ม ส8บแปดนี่แล้วครับผมไปไกลอยู่ครับผมเลื่อนจากสเก้ามาสิบเก้าสิบเก้านั้นจะถิ่นวัดสันติตอเลยเรื่อยๆโงกันสิบแปดอืมเริ้แต่บเก้าคนนี้สิบแปดแไปข้าง่นไดโยูิบแปดเพิ่มมากกวิานี้ตรงเท่าในม้นไปกรอะไรบ้าคะจากไปเบิรไปอันไปเบิรงไปปวดโยงกับคนกกรใดบ้างคะท่าก็ทกอ่า่ กะสินมีกระสินในหลวงต้ตกะินเออสงเรียกกระังกลาดตั่อมเน์กัวันนะครับวัดินเเ่ยสินาญจนาภักัน่อืกระินกงรังกระดาษวันนี้มาถึงจุดตุ้มองติยุ่งง่ายพอไหนมันไม่วาวานต้อมือบ่อเนไปตอมือที่สบสครับผมวันออกพรร ย่อมวาดมืออะไรปกติวันหยุดอันส่วนรายย่วมกับซีมาวันหยุดกันนะคะเสาร์อาทิตย์้งสี่นะคะเดบัตเทนีคันอันคันลองอันบอกว่าอล้วงกูสิไปอันไปโปรดทั้งคุณเขากับสีซสซีมากันนะคะเขาอันมือ สันเบา่างจังหมือจักนี้ไปจักหน้าที่ก่อนแตมาณช่วโม้วนขนปุกขนมปุกติดนะคะกันกับซีช่วโมกว่าจักน้อยมือได้เป็นบาตรเปดไก่แน่วันที่สิบสาะพาลงไปไปบินบ้านลูกอรุนเป็นธบาตดอกกไปเลยบ้านลูกโตเด็กค่ะก็สิบเอ็ดสิบเอ็ดคเป็นร้ย มันแจก่ะดไปหลายคนเลยบ้านลุงไก่บ้านเจ้าบก้ยคบ้านลก่บ้านลุมชเหอวลาอันที่เท่าสามันมันออกพรรษาสมันออกพรรษาอยู่นี่ก่งก็มาหลายสิบสมันเก่นี้ไปบ่าดก็มาก่ิได้อแล้วไม่ย่างไรคนได้ดิานคนเป็นบาสมกเครียดดิหนิแต่ยานคนจะเป็นบาส เมื่อคนจะมาพระไปหนีน่ะนิงยากมัดตั้งใจมาตะไกนั่นเห็นบ่าอถือข้ามเขาวาตุขวันตืนแต่ต้าต้องาห า, หาหมือโอนเป็นมือยากสอสไปบ้านมดาวขอมาวานี้ครับย่นาทีจากที่นีอืมเป็นบ่ไกลจากที่นี่กับบินตาบานนั้นก็ไปคุ่นได้ก็ได้รู้ สิบเก7าสิพุ่นบอกไปฉันไปเป็นธบาตก็ไปพุ่นวปััดุ่นวจ้าวัดเจ้าวั้วัด้วัดเาวัดเจ้าัวัดเจ้าวัดเจ้ด้วัดวัดเจ้า้าั้าวัดเจด้ัจ้าวัดเเ้ว้จัาวเว้าาว เราคยรู้จักว่าหมายในการว่เวเหมือนั่นปริโยคนว่าเรื่องนี้ตเรื่งองมวาตัยของเรืเอ่องเหลเรื่องเหลือวัดนี้นมาให้กำลังใจวัดสันติมนาลามก็นียขอกะถิน่นสมเด็จสังกาลนี่นี่ทุนสังกัลาน์โไอ้ควาตยมา ต, าตาิทุกควาตายตามวัดต่างต่างตี วัดสันติครับตี้งวันไหมวัดใจเหรวัดต่างๆสอยวัดมันวัดต่างๆให่ลงขันกันนั่นเครับไม่ยุบเลยอยวัดสันตีน่ะก็จิตเกี่ยมาภี่คือก้อนตัวอัวัดให้แหลือแต่บนบูรพาับสายกระตุ้นสากระุนแต่แต่สายกรนีหวัด่แต่แต่วัดนั้นสิดฟิชชนา มันมีปัญญาแตบอกงัดง้อมกับด้วยปัญญาแต่มีเท่าไรทุกตัวให้รถแถวมันก็อยู่กับการว่าของฝาคนนี่มันก็เจตนาของกู้กหญย์คนจะเอาไว้คนพยายามไปทำลายหรือจะพอะสายของเขาเมอนบอกใครมีเปินมีมาแล้วไปติขายทิมกัไแมพระใหญ่ทั้งกุ่นคือเบาใจใส่ติแค่นี้ราคากันมาได้ติดนั่นฝืนแต่งแตใครเอาไว้เอาไว้เพื่อกัการเอาไว้แล้วกับ พวกญาติโนมเห็นได้แบบเล่สะดวกแบบเล่น ง, ง่ายก็ก็ฉีดอันหาวิธี่ถูกต้วแบบเล่นถเป็นไปเพื่อว้มจะเลื่อนลุงเรื่องแล้เอาไว้เอาไว้ตามนี้ละตามนี้หอกเพิ่งกิดดีนันึ่งผมบ่ดีนัหนึ่งะ น, นง <c oughs> ะบริการเลือกให้พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญเลือกไหนท่านหรือเลือกเอาของตามบอกนัหนึ่งนี่ก็เลือกเอาวัดเลือกเอาพระ ันว่าเือดแม่ก็ตื่พระพลอมจะวางเลยสันคือทีว่าเจ้าของกันพระจิงตีติว่าอีกเีนี้แบย้อนกลับมาคือแท้หัวคือกันพระไตไป็รคือกันนั่น อ, อันลึกึงพระเจ้าพระเจ้าจึงวางเลยยากที่สามมันชนคนธรรมดาจะรู้ได้ม น, น, นว่าวิฟางวิจารยปหลายก็วอาวาตนเองปวดอุตริพระเจ้าจึงเพื่ให้บอกว่าเป็นทั้งกันทั้งที่ปัจจุตังรู้จำพระตน กิน เ, เองลูกเองทำเองเน่ยเด้เห็นบิดบ่อ่านเขาก็เอาแล้สบายแล้วเพื่อนไหนมาจะได้เอาเลยเอาเลยหลวงปูว่ว่าเขาทีให้เอาทีันนนเอา เ, <c oughs> <c oughs> เอา็อานตอน่นตัวเลือกเห็นว่าหลวงปูมปญญ่มันไม่เป็นหามันสอนให้ลูกที่ลูกหาได้ดอ่านว่าธรรมดาเขถึงใจเห็ <c oughs> นว่าเขาเอาไงเขาเอาไงจอมให้มาก็จิ้งจกนัผ้าอ่างเวเอาผ้าสัมมาไซ ดูองส์งของพระเจ้ามีเหมืแล้วผ่าสางขาอย่างเราจะมาใส่เห็นหนังมีตลาดข้ารวยเออๆเขาพ่ายหนมาโน้มเหนยมมาโน้มเห็นแต่ได้กิเอาตีนึกกันตัวผลดงใหม่มาบอาโน้มใจากนหมาเยเคลียร์ก็เคลียร์ได้แต่ทีว่าเหตุผลของพระเจ้านี่เดียเมื่อไหร่นางนึกกินตะปะนึกตีปากกันบอกเย็นไหมล่ะ กันคนไดยป้ะคนไทยค่ะลุปู่ว่าอไรี้ยินบไ่เง้ยค่ะจำไว้ม่เบิ่งหน่อยถือถือพกกระเจ้าไม่ลุงปู่คือบอมี่แกกันดอกไม้ทุกเทียนเอาไปคิดตวทีจังบมีให้ลุปู่ตอบงนได้คำตอกเพราะหาแต่ว่าเจ้าของอวดหาเพงเท็วัดนั่นผิดพนดีเทีปฏิบัติถึนี้บัดต้อไปคิดดูเดน้มือเอาไว้ทาไม วูาเจ้าสอนเยเอาเนื้อมือไปกราบไปไหว้ไปบูชาไม่ใช่ว่าเอาหลอดไ้ทูกเทียนไปบูชาไม่ใช่ว่าไปตรวจน้ำในบุญบุญก็มีเรามีบุญเราก็เอาทิตไหนเ้าใจตรวจไหอยังไ้พี่น้องพ่อแม่เขายุบานเขาทำบุญทำนาทีดีแล้วส่งไปปุ๊บหอดเลยแต่เขาบามีเมตตาปานนี่จิตใจบนนิ่บงบพงบเพามีหนังมีตบบุญส่งบาปไปติบัตตรวจน้ำส่งไปติบัตร น้ำใจน้ำใจใเฮาน้ำใจก็ชอบบางแห่งบางบ้านโอ้ยถือกวนริพย์พ่อว่าทุกคนทุกคนนุ่งบ้านมาถบายาพระน่อมกวนทิพย์พอคือออกมาทุกคนกวนน้า ม, มาตวรวจหลวงปู่โอ้ยยังเราเป็นนิสัยที่ข น, นาดนั้นปู่เคยขีน้น่ะเคยทําก็เลยเชื่อไปแบบนั้นไม่เชื่อไม่เหตุผลให้เชื่อปู่เจ้าปู่เจ้าให้เชื่ออะไรให้เชื่อเหตุผล เหตุผลถูกต้องกับเหตุผลถูกใจเหตุผลทำทานกับเหตุผลทำบุญในตัวของเราไม่กายก็มีใจอาหารใจได้เลี้ยงไหมอาหารใจไม่ได้ซื้ออาหารใจที่ไหนลมถ้าไม่มีลมใจหนีแล้วต้อเกิดมาเคลื่อน เ, เทียบวบอลล้อมถูกไหอันนี้กับตาอาหารแนวเลี้ยงแนงกายอันนี้แนวเลี้ยงใจมีสองอัน อาหารกายว่ า, า, ารใจกินแล้วอะไรเต็มกันอาหารกายเต็มมีดีแต่อาหารใจบ่มีนี่พออาหารใจได้หัวใจได้กินได้แค่พอรม่มทั้งแทีก่กินร่มไรก็จินเข่ารับไปแล้วก็กินดีดีแต่เราบ่มีร่มเขาตายแต่เรื่อบ่เบิ่งวันเน้เอาบ่เป็นตาเนื้อที่เบิ่งเห็นร่มนี่ทำมัดกับสุกคือตาภายในมีจีนท่านพะระบ่ตรวจมัดแล้วคนท่านมันบ่ นั่นล่ะทำบุญหลวงปูป่บอกสวดดอกตอนเช้าตอนแดึกตีสี่ตีห้าตีสองตีสามมันเปเลืองไฟกิเลสคนก็ตีไปอ้างไปไปลำบากไม่ไปหรอกสวดมนต์ทำไมะบางแห่งตีละครั้งจนฟองร้องกันหมดนี่นํามาั่งส่เป็นวัดสวดนี่นโยมเนี่ยสวดด้วยพระก็ได้สวดด้วยมันก็ได้ประโยชน์ไม่ต้องใช่ฟืนใช้ไฟดวง อาทิตย์เอาไปทำไงธรรมชาตรักษาธรรมชาติเห็นว่าหนาวไหลลงพายปิดมาจะได้ไฟเด็กนึกว่ามื่อวัเมื่อวนหนาวปลอดก็ได้ยูแน่นี่บางแห่ก็สูญยอสูญยอดมาได้เดงหวัดระกุงก็วางให้ตัดไฟแล้วก็ตัดเตียงกันอย่านละตัดตหม้อไ่ออกวันเดีหัดลักขอออกมาก็มีตอนน้ชาวบ้านมุ่นใด้ไฟธรรมชาติไฟฟ้า ดวงอาทิตย์เห็นบอกนักสวมนตม่นีนะ่นั่นเนี่ยนู่นมันเสียบัสเสียงแล้วก็ากิดมนต์ทำบทัตรวายพาระต่างหันเสียหายบันไดมีตุบบันไดโยงก็ได้เฮ็ดไต่ทำเป็นมาเอาก็ต้นผลมนมมาแล้วก็บุญเนี่ยแต่มาเฮ็ดมาทำเนี่ยมากราบมาไหวา่ในบูชาด้วยการปฏิบัติบูชารักษากายสังรวมกายสังรวมวาจาสังรวมจิตใจสังรวมกายได้กราบงามๆสังรวมวาจาไมีนาสกาเจนะ่ะสังรวมใจดูลมเข้าลมบอก ครั้งหนึ่งหนึ่งนาทีไม่ได้ซื้ออาหารใจเออเมื่อกี้ก็สอนลูกหลานนะผมไม่ได้ซื้อตะนงางปฏิบัตจักเราให้เฮ็ดทุกเมือ่อได้ <c oughs> <c oughs> แจกรูปให้เบืงงนนงบ้งหลวงปู่กตินอัตโนมัเบื้องหลวงปู่สกัดหลวงปู่บอกหยัง <c oughs> อาหารใจให้ทำไปเถิดไม่ได้ซื้อนานเขานานเข้าเป็นเนิ้อใสอุปนิสัยเป็นวัตนาเป็นบารามีถ้าเป็นบารามีเนื้อใสเคยกินแล้ว ไม่ทําไม่ได้มันเคยกินแบบมันจิตใจทุกข์ถ้าไม่เข้าสมาธินี่ทีเมันเราไม่ฝืนเพราะผู้บอกยากผู้บอกไม่มีหาผู้บอกที่ถูกต้องมันยากเห็นจูนป้ประเทศไทยมีวัดจีวัดมีพระจีรูกดูสิเวลาไปวัดทําอะไรล่ะโยมมาอะไรถวายทั้งกระทานเจ้าค่ะ ถ, ถวายทั้งกทานตรวจน้ำโยม แต่เราบอกท้นบุญนะก็ฝ่าเรเคยเห็นบุญก็บอกในแค่นั้นต้องในรู้ได้เห็นก่อนพระเจ้าสอนให้ดูให้ลูกให้เห็นแล้วจึงสอนผู้อื่นฝึกตอนได้แล้วจึงฝึกผู้อื่นอืเข้าใจแล้วต้องได้เมื่อดทิพยเกศสิ้นสุต้องนอกเลยเป็นนนเลยเตรียมโดนไปไปก่อนเวลาเล็กน้อยก็ได้เอาละคร ท้ลโลกาเวนโมตัวสัพพันาวติสัว